คือพวกนี้ก็จะมีระบบประสาทคอยกระตุ้นก็ตุ้นให้เซลล์หลั่งน้ำออกมาหรือสภาพจิตใจนี่จะเป็นตัวคอยกระตุ้นเช่นเช่นเวลาคนเครียดหรือโกรธมากๆเนี่ยมันจะทําให้มีการหลั่งน้ําย่อยเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะทําให้อย่างอื่นหลั่งน้อยลงอะไรแบบนี้เป็นสภาพจิตเป็นตัวบังคับการหลัง่งน้ําของเซลล์ ก็ทางธรรมะเราก็ถือน้ําลายมีสมุทฐานสองนั่นะก็จิตกับอุตนะุมีจิตเป็นสมุทฐานกับมีอุตุเป็นสมุทฐานพันธะสีใจมากมากนะน้ําบางอย่างมากขึ้นใช่ไหมกรดมากขึ้นแต่ว่าน้ําลายลดลงสังเกตดูว่าช่วงไหนที่เราไม่ค่อยสบายใจมีอย่างหนึ่งคือน้ําลายเราจะลดลงอันนี้สังเกตนะช่วงไหนมีความสุขมากที่สุดช่วงนั้นน้ําลายเยอะอันนี้ก็พอจะสังเกตแบบคร่าวๆธรรมดาธรรมดาเลยนะถ้าช่วงไหนน้ําลายลดลง หรือไม่ค่อยมีน้ำลายเนี่ยนะต้องหาน้ำมาดื่มบ่อยๆช่วงนั้นแสดงว่าเราโทมนัสเวทนาเนี่ยเกิดบ่อยเห็นเวนาทีนะ่กับน้ำลายไหลถ้าหากว่าช่วงลายที่แบบปกติเลยนะไม่ต้องทําอะไรก็น้ําลายก็กลืนเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาเลยอันนะี้อันนี้แสดงว่าโสมนัสเวทนาเกิดมากก็ปกตินะคนโสมนัสเนี่ยน้ำลายน้ำลายไหลเลยนะถ้าโทมนัสเนี่ยน้ําลายแห้งเลย ต่างจากตานะตาเนี่ยถ้าโทสะเกิดน้ำลายออกโ <c oughs> สมมนั่เกิดก็ออกเองแต่น้ำตาเศร้ากับน้ำตาโ ส, สมานั่งแตนะก็คนละอย่างกันความแห้งผากนาภายในเนี่ยนะแห้งกรอบในภายในเลยนะความโศกเนี่ยทำให้แห้งผากแห้งกรอบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าแห้งผากในภายในแห้งกรอบในภายในแล้วบอกเตรียมใจเลยนะเครียดเลยนะ อาการที่เผาจิตเพราะความโศกเศร้าเมื่อเกิดขึ้นย่อมเผาทำให้จิตไหมอย่างเดียวแล้วก็ยังบุคคลนั้นให้บ่นว่าจิตของเราเนี่ยเกรียมแล้วไม่มีอะไรแจ่มใสนึกอะไรก็นึกไม่ออกเลยนะปัญญาไม่รู้นหายไปไหนหมดนึกอะไรก็นึกไม่ออกหรือแต่ความทุกข์อย่างเดียวก็ต้องดูนะมีปัญหาเนี่ยลองมาไล่ดูห้าข้อเนี่ยตอนเสื่อมญาตจา์แดงเป็นยังไงน้าลายออกเยอะไหม โธมานัสเลยนะน้ำตาออกเยอะเลยนะก่อนริง่งตอนจะเผาด้วยก็เลยโอ้โโธมานัดเลยอะไรเสื่อมญาตินี่ก็เห็นชัดใช่ั้ยตอนเสื่อมทรัพย์แหะนะรถเสียกลางทางผู้การยิ้มเลยนะไม่ใช่เลย <c oughs> ตอนที่ตรวจเจอโรคบางอย่างเยนะคุณบุญชูตอนที่ตรวจไขมันสองร้ยแปดสบกว่าเนี่ยตอนนั้นตรวจพอรู้อาการนั้นเป็นยังไง เสดืดงเหมือนกันนะนึกถึงเพื่อนปากเบี้ยวบ้างนะมีเพื่อนอั้นมีคุณมชุชูมีเพื่อนปากเบี้ยวไปสองคนเองนั่นนะก็อันนี้สองงองไขมันอ่ะนะนี่ก็หรือคนที่รักษาศีลดีๆนะแล้วศีนมันขาดจำวันนี้ตอนสมาทานศีนแปะแล้วกินข้าวแล้วนึกยังไงตอนนั้นเสียดายศีนเลยนะกินข้าวไปแล้วอนะ่ะนึกได้โอ้วันนี้วันพลาเนี่แย่เลยนะวันนี้เอายังเอาศีนอยู่นะ วันนี้วันท่านนะลืมไปแล้วมั้งวันนี้ศี่ห้านะลืมไปแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีนะแล้วก็ถ้าวันไหนปัญญาไม่เกิดนะลองดูนะสังเกตดูนะถ้าวันไหนปกติเราอะไรก็เข้าใจทะลุโ ป, ปร่ปรงไปหมดแล้วมันนึกอะไรไม่ออกอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่รู้เรื่องเลยนะปัญญาไม่เกิดอย่างนั้นเนี่ยถามว่าเป็นยังไง เคยเป็นไหมคุณนภาอ่านหนังสือก็ไม่อ่านไม่รู้เรื่องฟังธรรมก็ไม่ได้งานอะไรเงนนะมันคิดอะไรก็คิดไม่ออกเลยนะวันนั้นก็โทรมานัดเออโศกกะก็เกิดขึ้นนะนั่นก็พิจรารณาเอานะมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามีแต่สุขอาลัยสตร์เนี่ยนะ <c oughs> ก็ไม่น่ากลัวใช่ไหมสุขอาลยศาสตร์คือนิโรธอาลัยสตร์กับมรรคอาลัยสตร์นี่เป็นสุขเอย่างนะนั้นเป็นสุขใช่ไหม แต่ว่ามันไม่ใช่มันมีทุกขาริยาสัตว์เนี่ยนะนี่มันน่ากลัวนิโรธสัจจะมันเป็นสุขใช่ไหมพระองคตรว่านิพานนางปรามังสุขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้ามีเนี่ยนิสุขขริยาสัตว์อันนั้นสบายละแต่เนื่องจากว่ามันมีแต่ทุกขาริยาสัตว์นี่สิในโลกนี่นะมันจึงน่าน่าทุกข์ล่ะพวกโศกะพวกนี้เนี่ยนะหมายความว่ามันทุกมณะทุมณะแปลว่ามณะใจที่ถึงทุกข์ชื่อว่าทุกมณะแปลว่าเสียใจเนี่ยไง ภาวะแห่งทุมานตชื่อว่าความโทมานต์ก็คือทุ่มไม่ดีะนะความที่ใจมันไม่ดีะนะเขาเรียกว่าป่วยทางความคิดนะลูกศรคือความโศกเศร้าด้วยอัตถวัลเลนเข้าไปโดยลําดับเพราะฉะนั้นลูกศรคือความโศกระว่าโศกสันนะคำว่าโศกสันภาษาไทยนะเคยได้ยินนะโศกสันเนี่ยนะแปลว่าลูกศอนคือความโศกมันเสียบลงไปเพราะสันสันตัวนั้นมาจากสาันละโศกสันเนี่ยนะนนะพวกนักกราบนักกลองก็จะมีคําประเภทนี้ออกมาโศกสัน ก็ถูกลูกสอนคือความโศกเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยเอ้ยถอนยากยากอ่ะนี่ยก็แต่ละเรื่องที่เราเสียใจยดูแก้งง่ายไหมละ่ะสังเกตดูนะถ้าเป็นเด็กๆเกขายังชั่วใช่ไหมเอาเต็มสักอันหนึ่งมาก็ห <laughs> ไม่ยากนะขนมไม่กี่ตังก็หายโศกเลยนะแต่ถ้าคนอายุมากๆเข้าเนี่ยนะเอาอะไรมาลอกก็ยากพูดนั้นก่อนเงียบพูดอย่างงี้ก็แล้วมันอุย้ยเก็บได้นานจริงๆเลยนะรักษาได้ดีเยี่ยมมาก ก็ลองคนข้างๆไม่ค่อยสบายใจดูที่แก้ดูช่วยๆลองแก้ดูนะให้เขามีความสุขเลยนะทําง่ายไหมล่ะก็สังเกตดูอนะไม่ง่ายเลยอ่ะ <c oughs> ยิ่งคนข้างๆเราไปเสียตังมาในบางเรื่องไงอยไม่รู้จะปลอบยังไงไหมกว่าเขาจะหายโทรมานับนี่ไม่ใช่ง่ายเลยอยังวุจติโสโกนี่เรียกว่าโสกะ เราเรียกว่าโศกนี้เพราะว่าความโศกนี้โดยใจความก็ได้แก่โทมานัตเวทนาโศกะนะเน้นไปที่เวทนาขันนะพูดถ้าขันห้าเนี่ยโศกหมายถึงเวทนาขันความโศกะนะเพราะว่าเวทนาที่มันเกิดเนี่ยมันเผาภายในมันร้ร้อนรุ่มร้อนท น, นลักษณะของเขาก็คือเผาไหมภายในเป็นลักษณะ สภาพจิตมันถูกเผาอ่ะคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าไอ้ตัวโทสะมันเป็นตัวเผาเจตสิกอ่ะไม่ใช่ตัวโทสะนั้นเป็นตัวเผาทีนี้เวทมันออกมาในรูปแบบเวทนาเวทนาเนี่ยมันเป็นผลออกมาชัดเจนมากมันถูกเผาออกมาเพราะันมีการเผารนภายในใจเนี่ยเป็นรักษาจิตของเขาทําให้ใจเนี่ยเผารนอยู่ตลอดเวลาสังเกต ด, ดูนะั้นนึกอะไรออกบ้างนะตอนที่โทสะมันเกิดไนหะ เกลือน้ําลายแห้งผากไปหมดนึกอะไรก็นึกไม่ออกใช้ความคิดอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าถ้าอย่างนี้นะนึกถึงคําสอนนะนะสาธยายอริยสัจเอาไว้เถอดนะเนี่ยตอนที่เราโศกนั่นนะโสกะปริเทวะทุกขโทมานะัสปายาสาปิทุกขาคิดถึงแต่ทุกขาริยสัจเอาไว้เยอะๆนะมันจะระ ง, งับความโศกได้แปลกนะถ้าถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยนึกถึงอริยสัจแล้วสบายใจเอาโดยเฉพาะนึก ถ, ถึงทุกขาริยสัจเนี่ยนะ ถ้าเนิกไปนานๆนานๆเข้ามันสบายใจทีมสบายใจเพราะมันลืมเรื่องไอ้โศกไปพ่าไม่ได้มณนสิการไอ้ปฏิฆานิมิตอ่ะนะมันก็มามานาสิการตามคำสอนแทนก็เลยละความโศกได้เพราะคนที่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยนะอยากจะแนะนำให้ให้เจริญหรือร ะ, ะลึกถึงเนี่ยชาติพิทุขาเป็นต้นเนี่ยนะทุกขาอริยสัตว์เนี่ยไปสาทยายไว้บ่อยๆมากๆเยนะนะอันนี้จะแก้แก้แก้โศ ก, กได้จริงๆ ถ้าใครมักมักมีเรื่องไม่สบายใจบ่อยๆเนี่ยนะก็เอาสิ่งที่เราไม่สบายใจเนี่ยนะมาพิจารณาตามอริยสัจนะลดลดโทมนันไปเยอะเนี่ยนะเพราะเรานั่นมันเป็นมันเป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นเลยเป็นทุกขสัตว์ประเภททุกขทุกเนี่ยนะประเภททุกขทุกหรือบางอย่างความสุขมันหมดไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมก็เรียกว่าวิปรินามทุกเนี่ยนะมันก็หมันละลึกไว้เถอะ ว่าสิ่งที่เราโศกวัตถุที่เราโศกเนี่ยนะวัตถุนั้นคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเป็นสิ่งที่มีชาติชราพยาธิมรณะเป็นที่ตั้งแห่งโศกะเป็นธรรมดาเป็นที่ตั้งแห่งปริเทวะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใจคือโทโมนัสเป็นที่ตั้งแห่งความคับแค้นใจเนี่ยนะซึ่งตัวเหล่านั้นก็คือตัวขันห้าเป็นต้นถ้ามันใส่ใจในลักษณะนี้บ่อยๆนะโศกอาจลดลงจริ ง, งๆนี การทําปริญญานั้นเป็นเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งแต่ที่สําคัญเนี่ยการพิจารณาโดยความเป็นชาติชรามรณะสโสกะปริเทวะในฐานะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยนะไม่ควรพิจารณาตอนทุกเกิดอย่างเดียวเพราะความสุขมันหมดไปนะั่นแหละความทุกขมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะใดาที่เรามีความสุขในสิ่งใดเกิดขึ้นนะให้รู้ว่าไม่นานนะถ้าสุขเหล่านี้หมดไปความทุกขจะตามมา ถ้าเราคิดถึงสุขนะถ้าว่าความทุกเหล่านี้หมดไปความสุขก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดพร้อมกันแต่ถ้าเราเพลดิดเพลินกับสิ่งใดให้รู้ว่าเพลิดเพลินมากนะโสมนัตกับสิ่งไหนมากเดี๋ยวจกโทมมณัตเพราะอาศัยสิ่งนั้นเนี่ยมากแต่ัะนั้นการคิดเรื่องอริยศาสตร์นั้นจึงเจริญได้พิจารณาได้ทั้งตอนเสียใจและตอนดีใจและเลือกเทว่าวัตถุนั้นบางครั้งก็เป็นที่ตั้งแห่งความ ดีใจบางครั้งก็เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจนะพูดแบบผู้การมากก็ได้ไพลินใช่ไหมพลอยไพลินลนะนะประเภทนั้นนะพอซื้อมาโอ้ดีใจมากที่ซื้อได้ราคาถูกบอกเออเก๊มั้งเสียใจมากเออจะได้ของเก๊แล้วนะไปตรวจดูเออของจริงก็เลยดีใจต่อนะนี่ถ้าเป็นของเก๊มาในตอนจุดตอนจบนะสงสัยจะเครียดไม่ใช่น้อยเลยนะโผล่มาทัดไม่ใช่น้อยเลย ก็วัตถุกับอารมณ์เหมนะทั้งวัตถุกับอารมณ์แต่ตัวอารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดตัวอารมณปัจจัยเนี่ยนะอารมณปัจจัยเนี่ยสำคัญมากเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญศิกขาก็สอนให้เจริญไตรสิกขาในอารมณปัจจัยเนี่ยคือให้มนสิการอารมณ์นั้นจนเป็นกุศลได้ทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่การเจริญเหตุตุปปัจจัยก็ได้นะนะโดยเฉพาะอโมหะเหตุนะอโมเหตุวิมังสาทิปติเป็นต้นเนี่ยนะท่านอะสัมมาทิฏฐิในองค์มัช พวกนี้ที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญมันเจริญไปเถอะพวกนี้เป็นศิกษาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าการเจริญสิ่งเหล่านี้นะก็สัจธินรีเนี่ยต้องมาก่อนนะศรัท ธ, ธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในอภินญญายธรรมเป็นต้นเนี่ยนะมันระลึกถึงสิ่งนั้นไว้เถอะในทุกอย่าง คำสอนเนี่ยถ้าเราทรงจําอะไรไม่ได้เนี่ยนะพยายามตั้งโจทย์มาถามในเรื่องปริญยยธรรมเป็นต้นอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งในชีวิตของเราเนะเพราะสิ่งที่เราทุกจริงๆไม่ได้ทุกในคำพีใช่ไหมแต่ว่าทุกในชีวิตเมื่อใดที่เราเอาอปริญยยธรรมเป็นต้นลงมาในชีวิตได้เราก็จะเห็นคุณของพระรัตนตรายเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนนั้น ก็กรร ม, มสกตาก็ก็ดีนะแต่ว่าท่านนึกถึงกรร ม, มสกตาก็พยายามนึกถึงสมุทัยศาสตร์ด้วยเพราะว่าตัวกรรมนะตัวกรรมเนี่ยเป็นบริขารของตัณหาก่อนที่เจ็ดเลิกวันนี้นะผมเองก็มีมีข้อสังเกตอย่างนะในเรื่องการศึกษาทำปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นเห็น เห็นคุณของการที่ได้ทําปริญญาไว้ล่วงหน้าเนี่ยมากๆเลยการที่เราไม่ได้ทําอะไรไว้ล่วงหน้าแล้วไปปเผชิญไปไปเผชิญนั่นนะนะเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องของการเสี่ยงมากเลยเพราะฉะนั้นการที่เรา <c oughs> เอาวชนะถึงศีลเนี่ยนะฮะเช่นเออเนี่ยนะระวังนะวาจะขณะที่อยู่ปกติเนี่ยนะวาจาระวังนะอะไรเนี่ยแค่ห้องแค่เตือนอยูอย่างนี้นะมีประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเลยอย่าต้องให้มันต้องไปเป็นสิ่งที่ปรากฏเลย มันไม่ทานครับมันไม่ทานจริงๆอยรอให้เกิดเลยนะ<อ>คือทั้งภายในทั้งภายนอกนะในแง่กุศลธรรมเนี่ยคือในแง่าอาโลพะอโทสะโมหะเนี่ยต้องมันมานสิการบ่อยๆว่าเสื่อมนะถ้าเสื่อมก็เสียใจนะแต่ถ้าในแง่าอารมณ์แหะนะในด้านอารมณ์อะอารมณ์นั้นมันจะเป็นที่ตั้งแห่งดีใจก็ได้เสียใจก็ได้พรันรีบทําป ร, ริญญาในอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ให้มากๆโดยเฉพาะนะก็ พยายามแนะนําหลายคนที่ที่พูดคุยด้วยประจําก็คือว่าวัตถุที่คุณชอบที่สุดนะพยายามรีบหยิบวัตถุนั้นมาพิจารณาก่อนที่จะเสียใจเพราะวัตถุนั้นเนี่ยนะมันถ้าถ้าเอาวัตถุที่ที่โดยเฉพาะที่น่าปรารถนาเนี่ยนะก็คือพวกคนใกล้เคียงเราทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละวัตถุนั้นอ่ะจะต้องรีบเอามาทําปริญญาเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะเราที่เราจะเสียใจที่สุดไม่ใช่คนประเทศอื่นที่ไหนหรอกเนี่ยนะ คนใกล้ๆเรานั่นแหละคนที่เกี่ยวข้องกับเรามากนั่นแหละวัตถุนั้นจะต้องเอามาทําปริญญาโดยเฉพาะว่าวัตถุนั้นคือวัตถุคือชาติที่ทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะใส่ใจแบบนี้ไว้มากๆบ่อยๆเนืองๆเนี่ยนะในที่สุดมันก็ยอมรับดังที่คุณอรีว่านะก็ะถ้าพิจารณาบ่อยๆเนี่ยไม่เสียใจใช่ไหมบอกใช่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะถึงพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์แต่คนพิจารณาไม่ได้ทุกข์เนี่ยนะถ้ายิ่งพิจารณาดีที่สุดยิ่งไม่ทุกข์เลย นะถ้าพิจรารณาจนถึงระดับเป็นธาตรหันนั่นะยิ่งไม่มีอะไรทําให้ทุกข์อีกต่อไปเพราะว่าจบแล้วเนี่ยนะวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกโรมนัสอีกต่อไปว่าไง ท, ท, ท, ไนนะที่ไม่ทุกข์ก็ค่อค่อยเคยชินไปที่ที่มันไหนนะที่ไม่ทุกข์หือที่อะไร ก, ก, ก, ก, ก็คือเนื่องจากว่าวัตถุนั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อยู่แล้วคืออโยนิสโสมนสิการของเรายังมีใน วัตถุนั้นทถ้าโยนิโสมนั ส, สิการในวัตถุนั้นจนเต็มเปี่ยมวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งแห่งโทมนัสอีกต่อไปวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลอีกต่อไปเพรทั้นถ้าเราพิจารณาแล้วยังเสียใจหรือยังมีตัณหาก็แสดงว่ายังอะโยนิโสในสิ่งนั้นมากไปคือยังไม่เคยโยนิโสเลยบางคนเนี่ยเอาปฏิฆานิมิตมาทําปริญญาเนี่ยยังโทสะอยู่แต่ก็นั่นคือ นี่ขนาดเอามาทําปริญญานะยังโทสะอันนั้นก็แสดงว่าทําปริญญายังไม่พอวัตถุบางอย่างเนี่ยนะขนาดเอามาทําปริญญายังชอบเลยเช่นอาหารเนี่ยนะเราทําปริญญาแล้วยังชอบเลยก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะอะไรเพราะเกิดมานะัไม่เคยทําปริญญาเลยเคยแต่ชอบอย่างเดียวถ้าไม่ชอบเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนมันเมื่อไหร่ที่เราทําปริญญาให้มันเท่าที่เราเคยชอบมาสิให้มันมากเท่ากันดูสิอีกฝ่ายอะไรจะเกิดขึ้น อ๋อใช่ต่อจารย์บอกว่าวินาแล้วมันเป็นสุขคือถ้าเจริญเอาไว้เต็มที่นะมันจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แต่ถ้าวิปัสนาระดับอรรถมักอริยมักเนี่ยไม่ทุกข์แน่นอนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะแรกๆกที่เจริญอยู่เนี่ยที่สมถาวิปัสนาไม่คู่กันเนี่ยนะคือคนที่อยู่ด้วยวิปัสนาล้วนๆโดยมากนะเป็นคนที่ค่อนข้างโทมนัตง่ายคืออะไรเป็นคนที่เรียกว่าชีวิตมันไม่ค่อยมียาง มันไม่ค่อยมีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเลยนะถ้าถ้าใครอยู่ด้วยอนุปัสนามากๆเนี่ยนะมนฑสิการอะไรมันแห้งแล้งไปหมดถ้ากุศลไม่ค่อยเกิดเมื่อไหร่นะพวกนี้จะโทรมนันัดเร็วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าดีใจด้วยสักอย่างเดียวแต่ถ้าพวกไปเจริญสมถะ น, นะถ้าอยู่ด้วยเมตานะเย็นสบายหมดนึกถึงใครก็สบายใจหมด่นะนึกใครนึกถึงใครก็เหมือนนึกถึงบุตรหลานของตนไปหมดเลยนะ พันสภาพโลกนี้่มันน่าอยู่ไปหมดแหละมันแต่ละคนเนี่ยน่ารักไปหมดแหละว่าไ ง, ง น, น, นั้นจึงสอนให้เจริญควบคู่กันไปแต่ถ้าวิปัสนาล้วนๆเนี่ยไม่มีโทษแต่ถ้าสมถะล้วนๆโดยที่ไม่มีวิปัสนาควบคู่เลยอันนั้นเป็นบาตแห่งวัตต์แต่ถ้าอาศัยวิปัสนาสมถะความสงบเหล่านั้นเป็นบาตแห่งวิปัสนาอันนั้นเป็นบาตแห่ง วิวัตต์มันก็ก็ควรเอาทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตมันทรมานนิดนิดเครียดหน่อยหน่อยแล้วดีเนี่ยก็เอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวก็พอแต่ถ้าแม้อารามจะแห้งแรงปานน้อเนี่ยก็เจริญส ม, มะถะควบคู่ไปด้วยหมายความว่าวิปัสสนาที่ทำตอนแรกนี่เป็นทุกข์แต่ทำไป น, นานๆแล้วเป็นสุขครับก็เธนะอถ้าเจริญเต็มที่จริงๆก็มีความสุขอย่างเช่นนะคิดเรื่องความตายบ่อยๆนะตอนแรกเนะี่ยคิดและสนุกไหม เ อ, อเนี่ยเขาก็จะตายนะ น, นี้ก็จะตายเราก็จะตายด้วยนะคิดไปคิดมาเนี่ยตอนบุญไม่ค่อยพอเนี่ยเอสเดือดหงเดือดร้อนเหมือนกันนะแต่ถ้าเจริญเต็มที่แล้วกุศลมากพอสมควรเนี่ยนะ<ม>ก็คุณอรีว่าไงนะยอมรับใช่ไหมยอมรับไปแล้วว่านั้น <laughs> สาธุอันนะถ้าถ้ายอมรับจริงก็ต้องละสิ่งที่ควรละด้วยเนอะ <laughs> อันนะั้นหมดเวลาแล้วเนาะ